คนกับพวกเขาคนฉลาดกับคนโง่งไม่ใช่ว่าจะเป็นไปจะไปด้วยกันตลอดไปใช่ในที่สุดก็ต้องแยกทางกันไปเมื่อแยกทางกันไปคนพานทั้งหลายก็ประสบทุก์ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ถึงความพ้นทุกเน่ก็จะรู้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาไม่ไม่ร่วมทุกข์ด้วยแน่นอนใช่ไหมอ้าวบัณฑิตทั้งหลายก็คือคนที่รู้จักเหตุแห่งความสุขก็ละเว้นจากเหตุแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวง อีกสูตรหนึ่งนะวิสาขาสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยภารามปราศาสของนางวิสาขามิคารมานดาใกล้พระนครสาวัตถีปุภารามตัวนี้หมายถึงอยู่อารามที่อยู่ในทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีนั่นเองไม่ใช่บุปผาที่เรียกว่าดอกไม้ ก็สมัยนั้นแลหลานของนางวิสาขามิคารมานดาเป็นที่รักเป็นที่พอใจทำกาละลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมานดาเนี่ยนะมีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงถวายบังคมแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับนางวิสาขามิคารมานดาว่าเชิญเถิดนางวิสาขา ท่านมาแต่ไหนหนอมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณนะที่นี้ในเวลาเที่ยงนางวิสาขาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานของหม่อมชันเป็นที่รักเป็นที่พอใจตํากาละเสียแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมชันจึงมีผ้าเปีย ก, ม, ยกมีผมเปียกเข้ามาณนะที่นี้ใ น, ในเวลาเที่ยงเจ้าค่าดูก่อนนางวิสาขาท่านพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีหรือ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหม่อมชันพึงปรารถนาะบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีเจ้าข่าอยากให้แบบปูมีลูกมีห ล, ลานเท่ากับคนเมืองสาวัตถีเลยแบบนั้นพระองค์ก็ถามว่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีมากเพียงไรทํากาละอยู่ทุกๆวันบอกว่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีเนี่ยบางวันก็ตายสิบคนบางวันก็เก้าคนแปดคนเจ็ดคนหกคนห้าคนสี่คนสามคนสองคน สรุปว่าทำกาละอยู่ทุกทุกวันพระนครสาวัตถีไม่ว่างจากคนทำกาละเจ้าข้าตายอยู่ทุกวันเหมือนกันดูก่อนนางวิสาขาท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านพึงเป็นผู้มีผ้าเปียกหรือมีผมเปียกเป็นบางครั้งบางคราวหรือหนอผ้าเปียกครั้งคราวหรือผ้าเปียกตลอดกานเอาก็สมมติถ้ามีคนอันเป็นที่รับทั้งเมืองเนี่ยนะ ก็คนมันก็ตายทั้งวันะ่ะมันก็ตายอยู่ทุกวันเมื่อตายอยู่ทุกวันเมื่อไรผ้าจะแห้งบ้างล่ะไม่ต้องแห้งกันแล้วนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่าพอเพียงแล้วด้วยบุตรและหลานมากเพียงนั้นแก่หม่อมชั้นบอกพอพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วนะดูก่อนนางวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รักร้อยผู้นั้นก็มีทุกข์อยู่ร้อยนะรักร้อยก็ทุกข์ร้อยเนาะ ผ <mile> <mind> to <whiskey> ู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก90ผู้น okay like ั้นก็มีทุก90ผู้ใดมีสิ่งที่รัก80ผู้นั้นก็มีทุกขอยู่80ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก70ผู้นั้นก็มีทุก70ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก60ผู้นั้นก็มีทุก60ผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รัก50ผู้นั้นก็มีทุกอยู่50ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก40ผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุก40 ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก30ผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุก30สผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก20สบผู้นั้นก็มีทุก20ผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รักสิบผู้นั้นก็มีทุกสิบถ้าผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รัก 9, ้า 20, ผู้นั้นก็มีทุกอยู่9ผู้ใดมีสิ kelijk, ่งเป็นที่รัก 8, ดผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุก8ดผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักเจดผู้นั้นก็ชื่อว่ามีมีทุกเจทุกเจดรอบนะ ผู 6, ้ใดมีสิ่งเป็นที <S S ่รัก6ผู้นั้นก็ทุกหผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก5ผู้นั้นก็ทุกหผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก4ี่ผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุกสผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักสามผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุกสามผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักสองผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุกสองผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รักหนึ่งผู้นั้นก็ชื่อว่ามีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความ กิเลสดุดทุเรีไม่มีอุปาญาต์คือความคับแค้นนั้นใครที่มีความทุกข์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นให้รู้เถอะว่าความทุกข์เหล่านั้นก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนะนะพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าความโศกย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักภัยก็ย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักแล้วความโศกจะมีมาแต่ไหนภัยจะมีมาแต่ไหน มันถ้าหากว่าเราสําคัญว่าสิ่งใดเป็นที่รักสําหรับเราสิ่งนั้นก็จะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สำหรับเราลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความโศกก็ดีความโศ ก, ก, ค, วโกความร่ําไรความทุกข์มากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักความโศกก็เกิดอะไรเกิดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักบน ร่ำไรก็คือบ่นอยู่นั่นแหลไม่มีเลิกมีราก็เพราะอาศัสสรรยสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักความทุกข์ทางกายและใจเนี่ยนะก็เกิดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักความโศกก็ไม่มีความร่ําไรก็ไม่มีความทุกข์เหล่านี้ก็ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นแลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกในการไห น, ไหน ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขและปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุรุรีไม่พึงทับไม่พึงทําสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกในกาละในไหนมันถ้าหากว่าผู้ใดที่รังเกียจความโศกรังเกียกกิเลสต้องการดับกิเลสก็ไม่ทําสัตว์และสังขารให้เป็นที่รัก ไอ้คำว่าที่รักเนี่ยนะรักเพราะสำคัญว่าสิ่งนั้นเที่ยงงามยั่งยืนแล้วก็เป็นอัตตาถ้าหากว่าสำคัญด้วยอำนาจวิปลาสอย่างใดอย่างหนึ่งในสัตว์และสังขารใดๆความโศกก็อาศัยเกิดจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นเความทุกข์ก็เกิดจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นความบ่นเพอร่ำไรก็เกิดจากสัตว์และสังขารเหล่านั้น เรื่องราวมีอยู่ว่าเด็กหญิงผู้เป็นธิดาของบุตรแห่งมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาถึงแก่กรรมก็บอกว่าเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยนะหลานคนนี้เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเลื่อมสายอย่างยิ่งในพระศาสนาเ ป, นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทได้ทําการขวนขวายที่ตนจะพึงทําให้แก่ภิกษุสงฆ์และก็ภิกษุณีทั้งหลายผู้เข้าไปยังบ้านของมหาอุบาสิกาทั้งเวลาก่อนอาหารและหลังอาหาร ปฏิบัติคล้อยตามใจยายของตนบอกโอ้หลานคนนี้ดีดีเนี่ยนะเลื่อมใสมีศรัทธากิจทำกิจการงานทุกอย่างเนี่ยนะบริการช่วยเหลือยายอย่างดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขานี่เมื่อออกจากเรือนไปข้างนอกก็มอบหน้าที่ทั้งหมดให้แก่หลานหญิงคนนี้นี่แหละแล้วก็ไปเดะและ้วก็หลานคนนี้ก็มีรูปร่างหน้าชมหน้าเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเธอจึง เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจยายโดยพิเศษเนะก็เรียกว่าเป็นหลานคนโปรดว่า ง, งั้นเถอะน่ารักด้วยแล้วก็ช่วยเหลืองานได้ทุกอย่างด้วยตอนหลังก็ถูกโรคตอนหลังก็ถูกโรคครอบงำก็ถึงแก่กรรมมหาอุบาสิกาเมื่อไม่อาจจะอดกลั้นความโศกเพราะการตายของหลานได้จึงเป็นทุกข์เสียใจให้คนนี้เอาศพไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าชะนหนา เวลาเราเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพึงได้ยินพึงได้ความยินดีแห่งจิตเพื่อจะได้สบายใจบ้างนะเพราะว่าหลานตายไปทั้งคนเนี่ยเศร้าใจเหลือเกินเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่านางวิสาขายินดีอย่างยิ่งในวัตะเพื่อจะทรงทำความเศร้าโศกของเธอให้เบาบางลงด้วยอุบายก็เลยเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเมืองสาวถีมีคนอาศัยอยู่ประมาณ70โกรถ้าคนมากขนาดนั้นก็ตายทุกวันอยู่แล้วล่ะ ตายทุกวันก็ไม่ต้องเลิกโศกกันแล้วนะดอกโศกนี่บานตลอดเลยผ้าเปียกผมเปียกอยู่ตลอดเวลานะถ้าหากว่ามีสิ่งอันเป็นที่รักมากขนาดนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศความประสงค์ของพระองค์ก็ตรัสว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ไม่มีผ้าเปียกไม่มีผมเปียกเป็นบางครั้งบางคราวหรือเพื่อพระองค์จะได้แสดงว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะนะนางวิสาขาจะถูกความโศกครอบงำตลอดการ เธอก็เพิ่งมีแต่ผ้าเปียกมีผมเปียกโดยการลงน้ําโดยเฉียดกับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลของบุตรเป็นต้นที่ตายไปไม่ใช่หรืออันก็ก็ลูกถ้าถ้าลูกหลานเท่ากับเมืองสาวัตถีลูกหลานตายทุกวันน่ะเมื่อมันตายทุกวันวันละเป็นสิบคนเนี่ยจะไม่ร้องไห้ได้อย่างไงใช่ไหมหมดเสียใจอยู่ตลอดชาติแน่ทั้งชาตินี้ไม่ต้องมีความสุขกับเขาแล้วถ้าหากว่ามีบุตรมีหลานเป็นต้นอันเป็นที่รักมากมายขนาดนั้น อุบาสิกาพอได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสังเวชปฏิเสธว่าไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าทําไมก็กลัวทุกข์กริสีกลัวไม่ได้กะไรอะกลัวไม่สางจากความโศกว่านั้นนะลูกศรคือความโศกก็ทิ่มแทงอยู่ตลอดก็เลยกราบทูลว่าจิตของตนเนี่ยกลับจากความเดือดร้อนถึงสิ่งเป็นที่รักแด่พระศาสดาก็เลยกราบทูลว่าพอละพระเจ้าค่าด้วยพวกบุตรและหลานซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นสําหรับหม่อมชั้น ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่นางนนแสดงธรรมอันนี้ก็แสดงอะไรแสดงอริยสัจนั่นแหละแสดงทุกขสัจกับสมุทยัยสัจว่าขึ้นชื่อว่าทุกขนี้มีสิ่งที่น่ารักเป็นเหตุสิ่งที่น่ารักเนี่ยมีประมาณเพียงใดทุกก็มีประมาณเพียงนั้นเพราะฉะนั้นเธอผู้รักสุขเกลียดทุกขพึงทําจิตให้เกิดความสลดจากวัตถุอันเป็นที่รักโดยประการทั้งปวง พันใจก็ต้องสลดหรือสังเวชพิจารณาเห็นความจริงในวัตถุอันเป็นที่รักว่าวัตถุอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเมื่อมีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์หรือเพราะฉะนั้นก็พิจารณาถึงสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักว่าตามสูตรนั่นแหละอ น, นิจจังทุกขังและก็อนัตตานั่นแหละถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้จนจิตเบื่อนหน่ายหายคลายกำหนัดจิตหันหลังกลับจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักได้ก็ดับทุกข์ทั้งหมดได้ เพราะว่าผู้ใดมีทุมีสิ่งอันเป็นที่รักร้อยผู้นั้นก็จะต้องประสบแต่ความทุกข์ตั้งร้อยเนี่ยนะถ้าหากว่าก็ค่อยๆลดมาอย่างเงี้ยสรุปว่าชนเหล่าใดมีสิ่งอันเป็นที่รักอันหนึ่งชนเหล่านั้นก็มีความทุกข์อันหนึ่งบางคนก็บอกว่าถ้ามีหนึ่งนะก็มีความทุกข์หนึ่งใช่ไหมนี่ถ้ามีสามมีสี่นะถ้าหนึ่งตายเนี่ยยังเหลือสองเหลือสามให้ชื่นใจบ้างาว่างนั้นมียองคนหนึ่งเขามีลูกคนเดียว บอกว่าลูกคนเดียวก็ตายไปเพราะลูกตายก็ร้องห่มร้องให้ยืนท่านแหละบอกมาก็เพราะว่าเขาน่ารักมากเป็นเด็กที่ดีมากเลยเนีเด็กอายุ 18-19 เกานี่ยกำลังเรียนอยู่กำลังเรียกว่าอะไรนะเอาใจแม่ดีมากเป็นเด็กนิสัยดีไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวเตะเรยียกว่าเด็กอยู่ในอยู่ในโอวาทหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักด้วยตอนหลังก็ประสบอุบัติเหตุตาย แม่ก็ร้องให้ตาก็ร้องให้เสียอกเสียใจกันมากขนาบอกถ้ามีมากกว่านี้มันก็คงไม่เสียใจขนาดนี้หรอกพรับวงั้นที่จริงอะมีคนเดียวก็ทุกคนเดียวนะถ้ามีหลายคนก็ทุกมากกว่า น, นี้อีกเนี่ยนะความทุกข์ก็มาเยือนเรื่อยๆไปพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วซึ่งอัถะน้ว่าความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจมีโซโกะปริเทวะเป็นต้นมีสิ่งเป็นที่รักนี่แหละเป็นเหตุ ย่อมปรากฏในเมื่อมีสิ่งที่น่ารักถ้าย่อมไม่สิ่งความทุกเหล่านี้เนี่ยนะไม่ปรากฏในเมื่อสิ่งที่น่ารักไม่มีเพราะมีสิ่งที่น่ารักนี่แหละเครื่องหมายแห่งความทุกได้เกิดขึ้นแล้ว น, นะมีสิ่งอันเป็นที่รักเท่าใดเครื่องหมายแห่งความทุกก็ปรากฏมากเท่านั้นเนี่ยนะในคำอุทานอธิบายว่าธรรมะเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีลักษณะธรรมจิตของคนพาน ผู้ถูกความโวดวายแห่งญาติถูกความโวดวายแห่งโภคะแห่งโรคแห่งศีลและทิฐิถูกต้องแล้วมลไม่อยู่ในภายในให้เดือดร้อนก็ดีความเศร้าโศกชนิดใดชนิดหนึ่งต่างโดยอย่างอ่อนและอย่างกลางเป็นต้นก็ดีความรำพันมีลักษณะบ่นเพอ้อด้วยวาจาอันแสดงถึงความเศร้าโศกที่ให้ตั้งขึ้นของชนผู้ถูกความเศร้าโศกเหล่านั้นถูกต้องแล้วให้ตั้งขึ้นก็ดี ความทุกข์มีการบีบคั้นทางกายบุคคลผู้มีกายอันโพธะะที่ไม่น่าปรารถนากระทบแล้วก็ดีโทมนนตและอุปายาตเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งมีรูปเป็นอนเนกมีอย่างต่างๆโดยความต่างแห่งนิสัยก็ดีย่อมปรากฏคือย่อมเกิดขึ้นในสัตว์โลกก็จริงนะว่าผู้ที่ถูกญาตถูกความวอดวายแห่งญาต คำว่าญาติก็คือคนรอบตัวไปทั้งหมดนั่นแหละที่ที่ตัวเองพอใจนี่นะความโศกความรําพันความทุกข์ทางกายความเศร้าโศกความเสียใจพี่ไร่รำพันเนี่ยนะก็เกิดจากญาติอันเป็นที่รักนี่แหละถ้าหากว่าผู้ใดมีโภคโภคทรัพย์หรือมีโภคะอันเป็นที่รักเนี่ยนะเมื่อโภคทรัพย์เหล่านั้นโวอดไวายไปความโศกก็เกิดขึ้นความรําพันบ่นเพ้อก็เกิดขึ้นความทุกข์ทางกายและ ทางใจก็เกิดขึ้นก็เนื่องจากโภคะอันเป็นที่รักนั่นแลหรือผู้ใดมีสุขภาพดีเป็นอันเป็นที่รักใช่ไหมรักสุขภาพหงษ์เห็นสุขภาพตัวเองมากตอนหลังได้ข่าวว่าป่วยขึ้นหรือป่วยจริงๆเข้าเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ความโศกความรําพันความทุกข์ทางกายความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะก็เป็นเอามากอีกนั่นแหละหรือรักศีนมากแต่ก็พลาดจนถึงเสียสีนเนี่ยนะพวกนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะหรือ จากสัมมาทิฏฐิอยู่ดีๆไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเพราะมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันความทุกข์เกิดจากความเสื่อมญาติเสื่อมโภคะเสื่อมโรคออกไหมครับว่าเสื่อมโรคมันดีนะแต่ว่าสุขภาพดีมันเสื่อมไปนะเหลือแต่สุขภาพร้ายๆอย่างนี้นะก็เลยเสียใจถ้าตรวจเจอก้อนมะเร็งเนี่ยโดยมากสุดตายเร็วขึ้นนะเขาเล่าว่างั้นนะถ้าตรวจว่าตัวเองเป็นโรคบางอย่างเข้าเนี่ยทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่รักะนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นอันเป็นที่รักมีเท่าใดก็ประสบความทุกข์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมอาศัยคืออิงพึ่งพิงสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักคือมีชาติอันเป็นที่รักได้แก่ทำให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักตามที่กล่าวแล้วนั้นคือสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักไม่มี ก็คือถ้าหากว่าละฉันทราคะตัดตัณหาได้หมดกระทําความเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านั้นก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในการละบงังคราวอย่างที่พระองค์บอกว่าความโศกย่อมเกิดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักความเศร้าโศกย่อมเกิดแต่อารมณ์อันเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทการร่ําไรรําพันความโศกก็เกิดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก ก็ย่อมมาพร้อมด้วยความตรหนีดังนี้เป็นต้นเพราะผู้ใดที่ทําสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักมากเท่าใดสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัตและอุปาญาตก็เพราะเหตุที่ความโศกเป็นต้นนั้นเกิดแต่สัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ยย่อมไม่มีแก่ชนเหล่าใดฉะนั้นชนเหล่านั้นแลชื่อว่ามีความสุขและ ปราศจากความเศร้าโศกใครที่มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเศร้าโศกอีกคนเหล่านั้นคือใครก็คือชนผู้ไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนไหนอธิบายว่าขนาดว่าตัวเองก็ยังไม่ทำตัวเองให้เป็นที่รักเนี่ยนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าตัดใจโดยที่ไม่มีมรรคดนะไม่ใช่ทำใจแบบตัดใจแบบไม่มีมรรคแดอะไรบอกเลิกและพอแล้ว พอกันที่อย่างเงี้ยไม่ใช่รอกเชื่อนั่นอั น, นอาจจะหนักกว่าเก่าอีกซ้ํานั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นคือชนผู้ไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักในโลกในไหนอธิบายว่าก็ชนเหล่าใดคือพระอริยะเนี่ยนะพระอริยะก็คือผู้ที่บรรลุอริยมรรคแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยย่อมไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักคือภาวะเป็นที่รักว่านี้บุตรนี้พี่น้องชายพี่น้องหญิงภริยาก็ไม่มีในโลกในไหน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกหรือสังขารโลกเพราะปราศจากราคะโดยประการทั้งปวงพันสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักความรักจึงไม่มีสัตว์จึงไม่มีในสัตว์และสังขารในโลกวันนี้ของเราเราได้อยู่เราจักได้ซึ่งความสุขชื่อนี้ด้วยสิ่งนี้ไม่มีก็เนื่องจากว่ามีแต่เครื่องหมายแห่งอะไรนะเครื่องหมายเมื่อวานว่าเครื่องหมายแห่งอ น, นิจจังทุกขังและ อนัตตาอยู่ในทุกขนทุกแห่งไม่ได้มีความสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินและพอใจเพรันอนุภาพของปัญญาที่เจริญพิจารณาจนเห็นว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายก็คืออ น, นิจจังกับทุกขังนั่นแหละถ้าเห็นว่าสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะผู้ใดมีอํานาจห้ามปราบสิ่งเหล่านี้ได้ไหม ก็ไม่มีละอันนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะนนคนที่สามารถพิจารณาในสัตว์และสังขารทั้งมวลนี่นะได้ตามนั้นจริงก็พ้นจากความโศกก็เพราะเหตุที่สัตว์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกนี่แหละชื่อว่ามีความสุขเพราะปราศจากความเศร้าโศกนั่นแลจึงชื่อว่าไม่มีความรักในอารมณ์ไหนๆเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อปรารถนาความไม่โศกเศร้า หรือไม่เศร้าโศกภาวะไม่มีความเศร้าโศกเพราะไม่มีความเศร้าโศกที่กล่าวมาแล้วแก่ตนเชื่อว่าปราศจากทุรีเพราะไม่มีทุรีคือราคะเป็นต้นคนที่เป็นอย่างนี้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะที่ปราศจากทุรีได้อย่างนี้ก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือว่าพระนิพพานที่ชื่อว่าอโศกังวีรชังเขมังใชนะ่พระอรหันต์นี่แหละที่ทาให้ดับความเศร้าโศกดับทุลีคือกิเลส ดับธุลีคือราค้าเป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงเกิดฉันทะด้วยอำนาจพอใจในกุศลหรือความปรารถนาเพื่อจะทำไม่พึงทำคือไม่พึงให้สัตว์และสังขารอันเป็นที่รักคือความรักนี่บังเกิดขึ้นในรูปเวทนาสัญญาเป็นต้นโดยที่สุดแม้แต่ในธรรมะคือสมถะและวิปัสนาในการในโลกในกาละในไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดความรักแม้แต่ในสมถะและ วิปัสสนาอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายแม้ธรรมะคือสมถาวิปัสสนาพวกเธอก็ควรตัดฉันทราคะเสียคือควรละซะจะป่วยกล่าวไปยัยถึงอาธรรมเราขนาดว่าสมถะและวิปัสสนาพระองค์ยังให้ตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปเยื่อใยอะไรอวรนในอกุศลอะไรรอกมาเพราะว่าผู้ที่มีกัตตุกรรมยตาฉันทะมี ฉันท่าที่จะเจริญกุศลธรรมให้บรรลุธรรมที่กเกษมจากโยคะคือตรัสรูม้มรรคผลบุคคลเหล่านั้นก็ตัดฉันทราคะโดยที่สุดแม้แต่ในสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าเห็นในความเป็นสังขารธรรมของสมถะและวิปัสส <c oughs> นาทั้งใครที่สามารถทำสัตว์และสังขารไม่ให้เป็นที่รักได้ผู้นั้นก็ พนทุกข์ได้ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทําสัตว์และสังขารให้เป็นที่ชังนะขณะรักไม่ยังไม่เอาเลยจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงความชังเนี่ยนะไม่ชังด้วยแล้วก็ไม่ชอบด้วย น, นะเขาบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐานนะกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกคือคิดยังไงจะได้ไม่มีอภิชาคิดอย่างไรจึงจะไม่เกิดโทมนัตเนี่ยนะนั่นแหละพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพี่จา